จนกระทั่งถ้ายิ่งเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยนิมิตจะยิ่งชัดเจนเลยแล้วก็จะเป็นความจริงตามนั้นโดยตรงตามนั้นด้วย น, น, น, นี่คือนิมิต น, นิมิตใช้คำว่านิมิตเอ่ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่การคาดการเรื่องหน้ามันขึ้นมาเลยมันขึ้นมาให้เห็นเลยเข้าใจไหมคนธรมมนธรมดาก็มีที่เป็นนิมิตขึ้นมาที่แต่ว่าเขาชอบไปใช้คำว่าฝัน เข้าใจไหมเขาชอบไปใช้ถ้าจะใช้คำว่าฝันนี้นะก็ต้องบอกว่าฝันที่เป็นจริงเข้าใจหมนิมิตเนี่ยคือฝันที่เป็นจริงส่วนฝันที่ไม่ไม่เป็นจริงเนะี่ยคือฝันจริงๆไม่รู้ฟังทันไหมนิมิตนี่คือฝันที่มันเป็นจริงๆเป็นจริงตามที่ฝันนั้นเนี่แหละคือนิมิต นี่เน่ยใช้ภาษาโลกโลกทั่วไปอ่าแต่ที่เขาบอกว่าฝันฝันฝันทั่วไปเนี่ยคือฝันที่ไม่เป็นจริงนั่นแหละเลอะเทอะไปเรื่อยอะจะนึกจะคิดจะฝันอะไรไปก็ฝันไปเถอะแต่ว่าไม่จริงไม่ใช่นิมิตพอจะเข้าใจไหมอะไรนะมีสิมีสติตื่นอยู่รู้ตัวอยู่ฝันนี่ไม่อะฝันนี่มันไปตาม ตามจิตที่มันจะปรุงมันจะนึกมันจะคิดมันจะอะไรไปตามนั้นยิ่งเวลาถ้ายิ่งนอนเนี่ยสติมันไม่เต็มมันจะเบลอเบยิ่งแค่สติก็ไม่บริบูรณ์แล้วเงี้ยสมมุติว่ามีสติอยู่ทัก20ซนะเหมือนมาลํามาเลืองละระตื่นอะไรอย่างเงี้นะอ่ไออย่างเงี้ยมันมันจะไปเห็นนิมิตยอย่างชัดเจนได้ยังไงจริงได้ยังไง ไม่จริงหรอกนะแต่ว่าไอ้ที่เขาฝันเขาเขาฝันเห็นชัดเจนนะเข้าใจไหมแต่อันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ของจริงเป็นไปตามอํนนานาจกิเลสอย่างเช่นวันนี้ไปสะสมสมมติวันนี้ไปสะสมกรรมมาอาจจะฝันเอาปุงไปแล้วปุงมาแล้วเรื่องกา ร, รมหรือว่าวันนี้ไปสะสมโทสะมาเกลียดชังใครเข้าไม่ชอบใจใครเข้าคืนนี้หลับเอาละเริ่มฝังเริ่มปุงมาแล้วนะเรื่องแค้นเรื่องแบบหนังจีงกลางภายในไปเลย อ่าอย่างนี้เราไม่เรียกว่านิมิตแต่นิมิตนี่นะกิเลสเนี่ยช่วงจังหวะนั้นอะ่ะจริงเราเป็นคนที่มีกิเลสอยู่นะแต่ช่วงนั้นน่ะคล้ายๆว่าเราเราเหมือนกับว่าจิตเรามันว่างได้เราสามารถที่จะอะไรอะ่ะมันเหมือนกับดับกิเลสของเราได้ชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวอะไรอย่างนี้แล้วจิตมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมามันไม่มีอานาจของกิเลสเนี่ย เข้ามากลุ่มรุมแล้วช่วงนั้นเน่ยเราก็นึกเราก็คิดขึ้นมาอันนี้แหละไปนิมิตขึ้นม า, าแล้วมันก็ขึ้นมาเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเราไปเจตนาทําเอาถ้าเราไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่เจตนาทําเอาสิ่งที่เห็นนั้นเป็นความจริงแต่ ส, นนสิ่งที่เห็นนั้นเป็นความจริงอา่า ก็ถูกก็สิก็บอกแล้วว่ามันยังไม่เกิดขึ้นไงว่าเหตุการณ์นั้นนะ่ะยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ okay, เพราะฉะนั้นมันก็เลยมันยังไม่ไม่ใช่จริงอไ อ, อ้นิมิตนั้นนะ่ะตอนตอนปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ใช่จริงหรอกแต่มันจะเป็นจริงแน่ในอนาคตอย่างนี้เขาถึงจะเรียกว่านิมิตส่วนฝันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ไม่จริงอนาคตก็ไม่จริง นี่นี่คือความแตกต่างกันนะอันเนี้ยถ้าถ้าใครพยายามเข้าใจได้เนี่ยก็จะเริ่มรู้ว่าเออถ้าเรายังมีกิเลสอยู่มากอ่ะอย่าไปนึกฝันแลยเรื่องนิมิตนิมิต น, น, นะอะ่บางคนจึงฝันว่าตัวเองได้คุยกับพระอาหารหันต์บ่อยๆนะวงเล็บซึ่งอาจจะหมายถึงการบรรลุธรรมมากขึ้นอีกหรือเป็นแต่เพียงภาพปลอบใจในกรณีที่ ไฟฝันอยากเห็นเหลือเกินอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะเขายกตัวอย่างในแง่ที่เรียกว่าบางคนเนี่ยนี่แหละฝันว่าคุยกับพระอรหันต์บางคนไม่ไม่แค่พระอรหันต์หรอกฝันว่าไปเข้าเฝ้าพรุทธเจ้านะมีเยอะแยะเลยอัตมา ก, ก็อยากฝันอยู่นะแต่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยฝัน อ, อ้าจริงๆนะเคยนึกนะบางทีโอ้โหก่อนจะนอนเนี่ยกราบ กราบกราบบางทีขาดตอนมีสติตื่นตือยู่เนี่ยพยายามนึกยังไม่ค่อยจะขึ้นเลยว่าอ้ตอนฝันยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยอยากฝันถึงเรื่องไหนไม่ไม่ไม่ต้องขอเรื่องนั้นอยากฝันถึงเรื่องไหนไม่ต้องขอเรื่องนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่จริงเสมอไป มันอยู่ที่ว่าจิตเราเองนั่นแหละนะว่าว่ามันมีความนึกคิดในเรื่องนั้นมากหรือว่าน้อยแค่ไหนในจิตจริงๆอย่างบางคนเนี่ยอยากจะเห็นนั้นอยากจะเห็นนี่แต่ว่ามันไม่ลึกมันตื้นๆมันเป็นความอยากแบบตื้นๆเข้าใจไหมพวกเนี้บางทีไม่ค่อยฝันถึงหรอกเพราะว่ามันแบบว่ามันไม่ได้สนใจจริงเพราะมันจะแบบว่าตื้นๆเนี่ยพอเดี๋ยวเราเลิก คิดถึงหรือว่าจิตเราดับไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็เลยไปแล้วมันก็ไปคิดถึงเรื่องที่มันลึกอยู่ในจิตเราอะที่มันหนักอยู่ในจิตเราเพราะเรื่องอะไรที่มันคาใจเรื่องอะไรที่มันอยู่ในจิตเราหนักๆนันแหละส่วนใหญ่ไม่ขึ้นเรื่องนั้นเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยมันทุกเรื่องนะมีอยู่ในจิตเราทุกเรื่องเลยแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่หนักเนี่ยมันมักจะค่อนข้างแบบเหมือนอะไรอ่ะเหมือนดูหนังอ่ะ ดูหนังมันฉายเร็วๆแร็ปแรมันไปแล้วแต่หนังเรื่องไหนที่เราแบบโอ้โหประทับใจมากเนี่ยโอ้โหมันขึ้นมาเป็นฉากฉกฉากฉฉากฉ ช, ช, ช, ช, ชัดเจ น, เนคือ ค, คือคนที่จะจําความฝันได้เนี่ยนะรวมไปทั้งถ้ามันเป็นนิมิตเนี่ยนะมันจะมีสติอยู่<ม>คือพูดง่ายว่าสติมันมีอยู่ตะลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเป็นนิมิตแล้วเนี่ยมันมักจะจําแม่น มักจะจำแม่นเพราะว่ามันเหมือนอย่างกับเราตื่นอยู่แล้วเราก็เห็นอย่างเงี้ยนิมิตอะส่วนฝันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฝันบางทีมันก็โอ้โหบางคนจำแม่นบางทีโอ้โหนึกพอตื่นขึ้นมาแล้วจะฝันลายก็ตามฝันไม่รายก็ตามแต่มันเป็นความฝันมันเป็นความฟุ้งของจิตเราแต่บางคนจาแม่นบางทีตื่นมาแล้วก็จำได้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่นิมิต ก็นั่นแหละอ่ะาก็ น, าานั่นไงถ้าถ้าอนาคตมันเป็นจริงอย่างนั้นน่ะถึงจะเรียกว่า น, นิมิตไงอ่เดี๋ยวดูอีกตัวอย่างหนึ่งบางคนแม้จะแก่เท่าก็ฝันไปเห็นแม่ซึ่งตายไปแล้วมายืนร้องไห้โผ ก, กอดตัวเองอยู่เลยทึกทักเอาว่าแม่ยังคิดถึงตัวนวงเล็บตัวเองต่างหากที่คิดถึงแม่พี่รีพี่ายอยู่กับแม่ แต่การที่จะไปร้องไห้กอดแม่จิตตัวหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองโตแล้วก็เลยปัดไปให้แม่เสยียเลยนะวงเล็บปิดคืออันนี้เขากาลังจะเปรียบนิมิตกับฝันนะเพราะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยกิเลสคนนี้คิดถึงแม่เข้าใจไหมห่วงหาอะไรอาวรเป็นกินเลสคิดถึงแม่มันก็ฝันอย่างนี้ขึ้นม า, าฝันไปเลยแบบแหมแม่มา กอดเราแล้วก็ร้องไห้อะไรอย่างนี้นะจริงๆแนละ้วมันจะไม่ได้เป็นนิมิตเป็นกิเลสตัวเองนี่แหละนี่แหละเป็นฝันนะให้เราชัดเจนอนะ่อีกตัวอย่างหนึง่งฝันไปว่าคนโน้นคนนี้เป็นญาติในไส้สนิทกันยิ่งกว่าแผ่นฟ้ากับหมู่เมฆ <c oughs> พอลืมตาก็เที่ยวเปล่าประกาศหายาหาลูกเป็นการใหญ่นะหมายถึงว่าพอตื่นขึ้นมา นะตอนฝันอย่างแม่ฝันโอ้โหคนนั้นคนนี้เป็นญาติเป็นอะไรต่างกันนะแต่พอพอลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ย โ, โหเที่ยวประกาศใหญ่เลยหาญาติกันใหญ่วงเล็บนั่นก็คือจิตตัวเองต่างหากที่ยังรักจะผูกพันสร้าง ส, ส, ร, าง ส, สร้างสหพันธมิตรแห่งญาติกายังหวังอยากที่จะคุ้นเคยกับผู้นั้นผู้ผู้นั้นผู้นั้นอยู่ต่างหากวงเล็บปิด นะอันนี้เขากำลังวิเคราะห์จิตให้ฟังสว่วนอีกตัวอย่างหนึง่งฝันหรือนิมิตไปเที่ยวกราบพระผู้ใหญ่ก็ทึกทักเอาว่าตัวเองมีคาโรโวะนะหมายถึงว่าตัวเองมีความเคารพนั่นเองนะวงเล็บเปิดเปล่าหรอกตัวเองอยากใหญ่อยากเป็นที่ยกย่องของพระผู้ใหญ่จะเอาถึงขนาดถ้าให้พวกท่านก้มลงกราบตัวเองก็จะเอานะวงเล็บปิด เรื่องนี้เขากำลังเขากาลังเปรียบให้ฟังดูว่าถ้าเป็นกิเลสตัวเองเนี่ยมันมุมหนึ่งแต่ถ้าไม่ใช่กิเลสตัวเองนี่ยมันอีกมุมหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นนิมิตจริงเนี่ยมันอีกอย่างนึงเลยแต่ในขณะที่ฝันคล้ายๆกันอย่างนี้เนี่ยแต่อีกมุมนึงเลยนะคือกิเลสตัวเองมันต่างกันเลยแหละแต่บางทีเรื่องราวเนี่ยฝันถึงแล้วคล้ายๆกันเลยแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นความจริงอีกอย่างหนึ่งเป็น กิเลสเราเองนะตัวอย่างที่กล่าวมาอาจจะกลายได้เป็นเหตุผลอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็แล้วแต่ภูมิหลังของแต่ละคนลีลาหรือพฤติกรรมของเรื่องปฏิกิริยากบเกลื่อนบางทีจึงยอกย้อนพอควรถ้าหากจับมันทันก็ดีไปแต่ตรงกันข้ามถ้าอ่านมันไม่ทันเห็นมันไม่แจ้งเราก็ยังมีชีวิตอยู่กับความหลอกตลอดเวลา เพราะสิ่งที่ปรากฏมันไม่ได้เป็นความจริงจากใจเราเลยการแสดงออกจึงไม่ได้เป็นการสรุปถึงเจตนาอันแท้จริงของหัวใจได้เจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิเจตนาเป็นใหญ่โดยแท้ยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมก็จะยิ่งเห็นบทบาทในเรื่องนี้ได้ชัดเจนทีเดียวเพราะปกติแล้วสภาพการใด เราก็ย่อมสามารถแทงเอาเนื้อแท้ออกมาให้ได้เพราะเราไม่ได้เป็นผู้ติดอยู่ในรูปแบบการมองปัญหาของชาวธรรมะจึงลึกซึ้งกว่าชาวโลกมากนักการที่แม่ตีลูกจึงไม่ได้แปลว่าแม่เกลียดลูกการที่ชายหนุ่มเอาใจหญิงสาวก็ไม่ได้แปลว่าเขารักเธอและการพูดเอาอกเอาใจจึงไม่ได้แปลว่า ผูพ้พูดนั้นมีความหวังดีต่อเราและแม้แต่การไม่กราบพระก็ไม่ได้แปลว่าผู้นั้นไม่เคารพพระพุทธเจ้าอันนี้เขาพูดในมุมกลับะนะพูดในมุมกลับอา่าคือพูดง่ายๆว่าเรามองดูภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมองดูด้วยตานี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดอาเขาอาจจะตรงกันข้ามกับที่เราคิดเลยก็ได้ แต่นี้ค่อนข้างพูดไปในมุมที่มันอะไรอะมุมที่จะอย่างเช่นเนี่ยไม่กราบพระก็ไม่ได้แปลว่าผู้นั้นไม่เคารพพระพุทธเจ้านั่นหมายถึงอย่างเช่นถ้าเรากราบพระเนี่ยแล้วแสดงสื่อใจเราตรงด้วยใช่ไอา้าวนี่ถึงจะดีใช่ถึงจะถูกต้องหรือแม้คราวนี้จริงจริงเราไม่อยากจะกราบพระ แต่เราฝืดเราบังคับต้องกราบกราบนี่แหละดีกราบเนี่ยเป็นการลดอัตรามานะเรานะเป็นการบัญทอนเชื้อเฉืออกิเลสเราใช่ไหมแล้วเราก็กราบทั้งทั้งที่อย่างเงี้ยบังคับมาลงไปต้องกราบต้องกราบไม่ตรงกับใจเราเลยเห็นไหมละ่ะแต่การบังคับอย่างนี้ได้นี่แหละเป็นบุญของเราไม่ใช่การเสียแซงไม่ใช่การกรบเกลือน และเป็นความจริงด้วยว่าเราพยายามบังคับกิเลสเราให้ได้แล้วเราก็กราบได้พราะมุมนี้ต้องต้องต้องเข้าใจด้วยการเจาะเปลือกเข้าหาแก่นนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตทุกผู้ทุกนามยิ่งหลงกันแต่เปลือกมากเข้ามากเข้าโลกมนุษย์ก็จะยิ่งวิปริตผิดเพีย้ยนยุ่งยากซับซ้อนและเมื่อนั้นบางขณะความรักจึงคือ การคอยหาของให้กินขัดใจไม่ได้คือเขากำลังจะพูดเปลือกอะว่าไอ้เปลือกภายนอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นแต่ว่าค่อบรรยายนทางพูดแล้วเนี่ยอาตมายังแมามันคาอยู่ในใจนะอ่านแล้วมีความรู้สึกความเข้าใจอยู่อย่างแต่ยังพูดให้พูดพูดยังไม่ออกยังสื่อไม่ออกคือคือเขาพยายามที่จะพูดบรรยเชิงที่ที่จะให้แบบว่า เออเราอย่าไปหลงแต่เปลือกเราอย่าไปติดแต่เปลือกนะว่าเปลือกนอกบางคนทำดีเนี่ยใจเขาอาจจะไม่ดีก็ได้หรือบางคนเนี่ยออแต่งชุดมอสอแต่จริงๆเขาอาจจะเป็นคนร่ำรวยก็ได้อะไรเงี้ยคือคือคือตอนเนี้ยเนื้อหาเนี่ยเน้นไปในทางที่ให้เห็นว่าเอออย่าไปมองแต่ภายนอกใช่ไหมแต่อัตมาเนี่ยกำลังรู้ว่ามันมีมุมที่มาเป็นอันตรายด้วยเหมือนกัน คือบางคนเนี่ยก็เลยชอบมองมุมกลับอยู่เรื่อยเลยคือแล้วก็จะจะยึดเหมือนกันจะยึดในลักษณะเป็นมุมกลับเข้าใจไหมอย่างเช่นว่ า, าถ้าใครไม่กราบพระอาสมุธนะใครไม่กราบพระเนี่ยก็เลยยึดมุมนี้ว่าเนี่ยไม่แน่นะเนี่ยใจเขาดีนะเขาไม่กราบพระมันถูกด้วยอะ่ะ อาตมาว่าที่เขาพูดเนี่ยถูกแต่โดยความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ถูกตรงที่ว่าเมื่อเขาเคารพพระเขาควรจะกราบพระด้วยใช่ไหมคือคืออาตมากำลังจะบอกว่าต้องระวังอย่าให้มันเป็นลักษณะแบบเซนหรือว่าเป็นอะไรที่มันจะเอาแต่นามาทำจะเอาแต่นามาทำอ่ะมันเลยจะตัดรอบไม่เอารูปประทับด้วยนะมันจะเอาแต่จิตอ่ะมันเหมือนกับจะเอาแต่จิตอ่ะ พรอนก็เลยบอกว่ามองมองแต่เปลือกไม่ได้นะคือเนี่ยเห็นไมล่ะคือคือไอเรื่องรูปภายนอกเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เพอเพอมาเลยกลายเป็นจะไปตัดทิ้งไอเรื่องรูปภอยนอกเพราะว่ามันมันไม่ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญแต่มันสำคัญอยู่แต่จิตเท่านั้นถ้าจิตคนนี้ดีซะแล้วภายนอกถึงแม้จะยังไงก็ ก, ก็ดีเห็นไมล่ะเนี่ยอาตมา ก, กำลังจะพยายามเตือนจุดนี้แหละ อืมอืมอืมใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะได้พร้อมทั้งองค์สามเหมนะทั้งกายวาจาใจด้วยไม่ใช่ตัดรอบเนี่ยเขาก็เลยคืออันนี้อจะมาเข้าใจอยู่นะหนังสือในช่วงเนี้ยจริงๆคือเขากลัวคนที่ติดยึดนะ่ะ มุ่งยึดแต่ไอ้ภายนอกนะใครที่แต่งตัวดีก็ว่าเออคนนี้คงเป็นผู้ดีคือยึดยึดแต่เปลือกภายนอกจนกระทั่งเอาเปลือกภายนอกเนี่ยไปวัดจิตวิญญาณคนเข้าใจไหมอ่าหรือถ้าใครแต่งตัวมอสอก็ถือว่าคนนี้ยังเป็นพวกไพร่ยังเป็นพวกคนชั้นต่ําอะไรอย่างเงี้ย ค, คือเอาภายนอกนี่ไปตัดสินคนซึ่งมันไม่ถูกต้องไงอันนี้เขาก็ตีในประเด็นนี้ด้วยนะก็เลยเนี่ย ค, ความรักจึงคือการคอยหาของให้กินคัดใจไม่ได้เพราะว่าถ้าคิดคิดว่ารักใครชอบใครก็คือต้องเอาใจอยู่เรื่อยเพราะว่าเขามองเปิดกภายนอกเนี่ยวันถ้าบางทีไม่เอาใจกันก็แสดงว่าไม่รักกันสินั่นแหละนะหรือตัวอย่างความหวังดีจึงคือการพูดแต่คาชมคำพ่อยอ นะความจริงใจจึงคือการพูดจาไม่ขัดถูถ้าจริงใจต่อกันแล้วก็อย่าอย่าอย่ามาพูดให้โกรธกันนะจะกลายเป็นลักษณะนั้นหรือความเก่งจึงคือการที่ไม่ต้องง้อใครพึ่งพิงใครนะดูนะความเก่งนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่พิงไม่ต้องง้อใครไม่ต้องอะไรอะ่ะให้ใครมาช่วยนั่นนะคือคนเก่ง แต่ความจริงเป็นอย่างนั้นไหมความจริงมันมันวัดกันแค่เปลือกนอกอย่างนี้ไม่ได้นะเขาพยายามจะพูดในมุมนี้ส่วนการบรรลุธรรมจึงคือการพูดเก่งๆใครเถียงก็แพ้นะนี่คือการบรรลุธรรมอ่านี่ก็จบหัวข้อ 4.3 แล้วในเรื่องของการกรบเกลื่อนวันที่ที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะแม้แต่สุดท้ายเนี่ย การบรรลุธรรมจึงคือการพูดเก่งนะใครเถียงใครมาเถียงเนี่ยก็ตามคนนั้นก็จะต้องเถียงแพ้นะอันนี้แม้สุดท้ายนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะให้เราเห็นว่าว่าแม้แต่กายกรรมแม้แต่ว่าจีกรรมก็ตามที่แสดงออกมาเป็นเปลือกภายนอกนี่สามารถกบเกลื่อนความจริงของมนโนกรรมได้พน้นคราวนี้เราเองเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติธรรม เราจะต้องจับจิตหรือดูโมโนกรรมของเราเนี่ยให้ชัดเจนอย่าให้โกหกตัวเองนะอย่าให้หลอกลวงตัวเองเอาตัวเองเป็นสําคัญแหละถ้าลองไม่คนเราถ้าลองไม่โกหกตัวเองซะและ้วนะรู้ดีรู้ชั่วไม่โกหกตัวเองรับรองเลยว่าจะไม่โกหกคนอื่นแน่นอน